Copyright g o l a München Book <two. S 2> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งยเดนคนอสบดีฉันยะ <Yeah. S 2> ดีฉันและคุณ ยาอติเราทั้งสองมีอุบาย mi ออบิทเวเขา on <น>เขาและเธอ on อ, ออนะเขาทั้งสอง on i อุอบาย on i อ, อบิทเว ผู้ชายมูชผู้หญิงเจน่ <ż> ena, เด็กดเยเช่ครอบครัวโรจินา่าครอบครัวของดิฉันมอย่าโรจินา่า ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่โมยา r o จ i n a เ e t u ดิฉันอยู่ที่นี่ยาส m ตุ <am> คุณอยู่ที่นี่ติสิ t ุเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่อเ t t u เราอยู่ที่นี่ e tu. ม y j s ตุคุณอยู่ที่นี่ว i เสตตพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่